มันนิยมแน่นแต่เช้าเลยมีใครไม่เคยมาไหมมีไหมวูเยอะนะเคยฟังซีดีไหมใครไม่เคยเลยไม่เคยฟังซีดีเลยมีไหมมีหนึ่งมีสองสามสี่ไม่เคยฟังเลยนะอนที่ไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อไม่เคยฟังซีดีเลยมีมีน้อยมีสองสามคน คือถ้าเคยอ่านเคยฟังมาบ้างก็ง่ายขึ้นหน่อยความจริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้นมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่เนื้อหามันเยอะสิ่งที่สอนให้คือหลักของการปฏิบัติการปฏิบัติมีสองส่วนนะส่วนของสมฐถะกรรมฐานสมฐถะกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่ น, นอีกส่วนหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐาน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 อันนี้เป็นความทุกข์ทางใจความทุกข์มีสองอันมีทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจถ้าใจมันหมดความอยากหมดความดินนน้นรนเนอะเจอคนนี้ก็ได้ไม่เจอก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่กลุ้มใจไม่ต้องเจอคนนี้หรือไม่เจอคนนี้ดังนั้นที่เราทำมิปัสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจสมัยก่อนท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสท่านสอนดีสอน ไม่มีตัวก blueprint ของกูไม่มีตัวก blueprint ของกูมันก็ไม่ถูกละเพราะทุก ần มันอยู่ที่กายทุก ần มันอยู่ที่ใจพอไม่ยุ pic ถือกายไม่ยุ pic ถือใจ explica import เงี้ยนวิปกษนาทำไปเนยสุดท้าย reso ิจหลังได้ความผลทุกะสมムったทำไปล่าได้ความสุขเอาอะไรดีเอาสมム Photos คนทั้งโลกเขาก็อยากได้แค่นั้นแหละแต่ความสุขในโรกไม่เชียงก็ทักความสุขในช där น์สมบัติกไมเจอ clinician ราวับ ientes Тоbet เห็น ajefter เดี๋ amorphpieces เด統 Flow later พอยังทำสมารถ ITY อยู่ก็มีความสุขจิตเคล้าออกอาก็สมารถไหมหล่ะจิตอยู่ในสมารถ międzyugar yazarun จิตเคลอนเอาาน้าออกด้วยความ God medatest tuo so spinning ยิ่งคนติดสมาธิ아마ออกจากสมาธิอารมณ์ร้ายมากกว่าคนปกติเก็บกฎนเพราะงั้นเราชาวพุ� cepouchiki อย่ายิ่มอยู่แค่สマ certa ส量ที่ดีมันร Nolan มีประโยชน์เอาไว้เป็นที่ภักผ่อนจิท i ใจให้จิท i ใบมีเร explosive สมรถาตรา ittansionage so we are two? ฉะนิดหนึ่งนะม ου งไปที่ความสุขอยัางเดียวเลยอันนี้ค่อนข้างไร pazara เพราะว่าความสุขมันไมถาว พรา formulas น departed งง lif ความสูขได้กับประดาวดาวดาวธรรม Angela Kim ในเร็อะ Gift ชมเมประส вд ัปยาวนฟรรร잔 kit tepada เข้ามาถึง itched ขอศดิ์อใหจ substantially ですねพวกมันก็รู้ bonne กับ politica จริงประดาวนี้ะในใน visible RPG ประดาวนี้สักดิ์จกไป uen กับ Pudits whilst กว่าพวกมันกะพวกมัน willing to fud мо เห็นร่างกายมันหายใจไปจิต ь, เป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจไปดูท้องผ่องยุบนะเห็นร่างกายผ่องร่างกายยุบจิตเป็นคนดูว่าร่างกายผ่องร่างกายยุบมีจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยสมถะชนิดที่ฝึกแล้วให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ผผผดูสมถะชนิดนี้เกื้อกูลต่อการเจริญมิปัสสนาแต่สมถะชนิดที่ทำไปแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือว่ามีแต่ความสุข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 คนที่เรียนอยู่ลง lifer 초่งนึงได้จะรู้สึกตัวเข้องมาเต็มไปหมดไหนถ้าใครเขามีหูตาว่างไวนะเขาจะรู้สึกได้ว่าจิตใจของคนที่ตื่นขึ้นมานมันสว่างสวยนะมันรู้มันตื่นมันเ บ, กบา watched จิตใจของคนที่ไม่รู้สึกตัวมืดมืดมัดม่ ว, มวหนักหนักแน่นแน่น燻ซึ่มซึ่มทุ humble ม, ม, ม, มีความศุกขว่าค่ะ correctly tracg b Micro swimming หนักอย่างอา�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 หลงไปรู้กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ออกไปทางกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนี่ออกทางใจนีใ่เราหลงทั้งวันอะช่องทางที่หลงมันมีเยอะแยะไปหมดเลยคนที่มาใหม่ๆนะลองดูลองตั้งใจอย่าเข้าสมาธินะถอยเออกมาแล้วตั้งใจช่วยกันดูพระพุทธรูปดูตรงยอดของท่านนะดูซิว่ายอดทั้งหมดมีกี่แฉก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 อาจจะได้เป็นพระละหันเป็นพระนาคารุ่นเราเนี่ยได้โซดาก็บุญละอินทรีเราอ่อนกว่าคนยกพุทธกาลถ้าเราจะเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอาจจะได้โซดาบ้างบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูจริงวันหนึ่งน 2, ั้นดูสองสามทีแล้วก็บอกว่านับมาดูเริ่มเริ่มพบหลวงพ่อตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนี่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 เบื้องต้นล็้ความเห็นผิดว่ากลายกระใจเป็นเราเบื้องปลายล ا ความยุดถือในใกลายในใจเบื้องต้นล็้ความเห็นผิดเบื้องปลายลาความยุดถือลาอุประธานเราหรอกพนธุกไหมเย elderly อย่าพวกเราค่อยค่อยฝึกตัวเองให้ตื่นคิดมาถ้าเราอยังไม่ตื่นคิดมาเราไม่สามารถรู้กลายรู้ใจัยตัวเองได้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 ถามว่าน้ำลายกระทบลิ้นเนี่ยน้ำลายมีรสไหมน้ำลายมีนะแต่ซ้ำซากจำเจชนไม่รู้จักรสของมันเหมือนเราอยู่บ้านใกล้โรงงานทำปลาปลาปนเหม็นตลอดปีไม่เหม็นนะหรือเรามีอาชีพเป็นสับเปลือกหรืออยู่นิติเวชอย่างคุณหมอพัอนทิพย์เนี่ยแกได้กลิ่นศพก็งคงเฉยเฉยเนาะ <c oughs> มีเคล็ดลับ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 พวกเราเคยเป็นไหมอยู่ดีๆนะหน้าคนหนึ่งก็ลอยขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะนึกถึงนะอยู่ๆก็นึกถึงขึ้นมาพอนึกขึ้นมาได้ใจก็คิดต่อเลยคน น, คนนี้ดีคนนี้ไม่ดีนะบางคนหน้ามันโผล่ขึ้นมาปุ๊บโถสะขึ้นเลยอีนางคนนี้เมื่อสิบปีก่อนเคยด่าเราหนึ่งครั้งใจอยู่ๆก็คิดได้นะไม่จำเป็นว่าตาต้องมองเห็นหรอกนี่ว่าจิตมันขึ้นวิถีขึ้นทางมโนทวารเลยก็ได้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 เท่าไหม acost ิต่ monstrition ž player, จะหยุด несколько ventւ จ puede l bracelet through the world of self-trend throughout the world สามารถรู้สึกก Körperj declaration of self-rejection 夫妻 Hoffa Deلم なんて cho cop- tú- tú- lo n Host Word. 10読 viай om Bruhор team W widericiency at that point per hour He thinks what we're thinking about and now no believe is divided. Quan is not known to imagine just think itçao มันช cállure as mine мире 体 is notarnystem. ไม่ใช่권 śua tebomative,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 สังเกตไหมตอนนี้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งห้องเลยรู้สึกไหมว่าหลงไปคิดทั้งนั้นเลยตอนนี้มีสองพวกรวบหนึ่งหลงไปคิดพวกหนึ่งเพ่งเอาไว้นะตอ น, นี่มีสองพวกรอๆกั น, นปริมาณพอๆกันนะแต่ถ้าหลวงพ่อนิ่งนานกว่า น, นี้นะพวกที่เพ่งก็จะนิ่งลึกกว่า น, นี้พวกที่ฟุ้งก็จะฟุ้งมากกว่า น, นีน้ทดลองดู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 ตอนเพร่งรู้สึกไหมว่ามันนิ้งมันนิ้งมันไม่ planes that ไม่แบบใจรักษ์นะจิตยขอย solemn cars พ com t parliament illnesses เปลี่ยนแปลงอยู่ตลาดเวลา해서 uziers vamping มันนิ้งไม่เคลื่อนไหว้ไม่เปลี่ยนแปลงร่าง ก, ายกับค่ possiamo แข้งแข็งบางคนเพร่งรุ่นแร ง, งนะหรือเงิน ately cobra Bun tr testament on tape ค่ suicid tutorials Anytime of the world was malac flat สมองไม่ทำงานไปเลยเสอม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 umnas. ป sair uma memônianya, mas vocês possuem 56,000 razol. Harati late-lando nella tua fisikia, sua dieta compreh trading Diana pisove together, sua dieta it natürlich ontologia, sua dieta prevuedes 클 �itz gödo, sua dieta tempnea to form la tua natal. A dose per straight-lando, seus atoms de stress futuro. Desperate la unit plant salt Malaysia eternally. Desperate la idea tas de menica dos んだ suhosa believers familycil weekday. Instabilization is livable to form la pe Olympia, sua dieta o entrain, sua dieta fourth. Ref być k 뉴스 Naming liknymi oddens, seu For repent-lando not longer via satu kmodfa. จะเห็นไปเรื่อยเลย They think the style of the style of the style philosophy that existe, ด้วยจิตตั้งมั่นจิตตื่นจิตเป็นกลาง Come with the attention of the nature. มีไหร Li S pioneers อันเดียวกันก็คือจิตมันตื่น version please จิตมันตั้งมั่น Cross worship can be the line of the example of these projects. สธภาวตั้งไหลายแหลนที่สติไป ftig Ahora cylindent of the j tipping the world ในขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ บ, อกบานอยั لف at the blue เป็นผู้รู้ Knockout there, young people to see 站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 ทางร่างกายไปเกิดที่ร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ก็ได้แต่ความสุขความทุกข์ทางใจนะจะเกิดขึ้นตรงกลางหน้าอกนี่กุศลนะกุศลทั้งหลายเวลาเกิดเกิด ข, ขึ้นกลางหน้าอกนีน้อย่าว่าแต่แค่นี้เลยเวลาอริยมรรคเกิดก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละเกิดขึ้นตรงไหนตรงหัตถยาวัตถุนะถ้าบางคนเรียนตำลานะหัตถยารูปหัตถยาวัตถุบอกอยู่นี่หัวใจไม่อยู่หรอกนั่นพูดไปอย่างนั้นเองได้ยินว่าหัตถยาอะไรนึกว่าหัวใจจริงๆ จริงๆมันตรงไหนกิเลสผุดขึ้นตรงไหนเท่านั้นเรื่องฮัตยาวัตถุฮัตยารูปผุดขึ้นมาตักกลางอกดูอกของจริงนะไม่ต้องเฉียงกันหรอกถ้าเรียนปริยัติจะบอกฮัตยารูปอยู่ในหัวใจมีสีด้วยนะมีน้ำเลี้ยงหัวใจสีน้อนสีนี้มันไม่มีจริงหรอกเป็นกระสินคนโบราณเล่นกระสินแล้วก็ดูแสงดูสีเป็นสั ญ, ญลักษณ์เพื่อจะมาดูว่าจิตเขาเป็นยังไงถ้าไม่ได้เล่น ที่ไปจักสุไม่ได้เล่นกระสินไม่เห็นสีนั้นดูกิเลส ท, ที่ผุดขึ้นมานกิเลสโผล่ขึ้มารู้ทันกุศลโผล่ขึ้มารู้ทันสุขโผล่ขึ้มารู้ทันทุกโผล่ขึ้มารู้ทันอย่าจ้องเอาไว้ถ้าจ้องไว้ไม่ได้ค่อยๆฝึกของเราไปอย่างนี้นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหัดดูไปเล่นๆดูไปด้วยใจที่รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่ใจที่หลงที่ไหลค่อยๆฝึกไปแล้วไม่นานก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมา ว่าจริงๆตัวเราไม่มีจริงๆสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปกระ น, นามเป็นทุกร้วนๆเลยถ้าเห็นอย่างนี้ก็เป็นประระหันอ่ะอ่ะเชิญไปทันข้าว